เดินมาเมื่อเวลาเราหยุดก็ฟัง เ, าเ อ, อาจจะป้องหูประสานงานด้วยป้องหูถ้ามันปิดไปหูเนี่ยต้องเอาออกจาก น, อนอ่องหูองถอดหมวกก็ได้การเอาอย่างนี้นป้องหูงมาก็ปลีออกมาในข้ามเพลินเดินเมืดอค่อยๆเดินเข้ามาตามป่าต่างถือคนเดียวให้มาคนเดียวอย่างสายไปยพืช มััจะรบบสสผใเป็นการจําลองสิ่งพิธีการตื่นรู้แบบรธรรมชาติสมดังขึ้นมาใใจในใจจะไม่บริกรรมสิ่งใดปล่อยให้ใจเป็นธรรมชาติเดินเข้ามาทีลแล้วก็ไม่เข้าสมาธิลึกแค่รับทราบทุกข้อมูลข่าวสารใบไม้ร่วมผ่านนะครับรับทราบเสียงนกร้องใจเสียงช้างเสียงสัตว์ป่าอยู่แถวนี้ก็จะได้ยินก่อน แล้วคาดีก็คือแล้วเราจะป้องการตื่นตัวตื่นรู้แล้วก็มีที่ทางไปทางมาของกันและกันจะอยู่ร่วมกันมันจะได้ยินมีอะไรกันจะต้นไม้นี่ก็มีชีวิตมีชีวิตมีวิญญาณมีในตัวคือตัวของเราเองนี่คือตัวของอาจารย์อาจารย์ก็คือต้นไมาต้นไมาก็คือละครนกก็คือตัวของชานตานอะไรประมาณถ้าละเอียดลึกลึกลงไปอันนี้มันเราพูดไหมนี่เป็นแบบสมมุดบรรจงไม่ได้ดูเรื่องซับซ้อนมันมองไม่เห็น ที่บอกว่านัยืนดินกันใบไม้คือสิ่งเดียวกันฟังดูเมฆดำเมฆขาวคือสิ่งเดียวกันหิมะสับส่น้ําคือสิ่งเดียวกันฟังกลายเป็นกาแฟแล้วเป็นพลังงานให้กับเราทุกวันสังเกตได้สักเหมือนในกอกคนหนึ่งนอนหลับฝันไปเราสามารถใจของเราสามารถให้เดินปรุงแต่งแล้วก็มีดอกดอกผลพิจเิรการเป็นภูเขาเป็นผู้คนเป็นตัวละครขึ้นมามากมายตัวละครจนกทั้งเขาที่พักเป็นเรื่องจริงที่แท้ทุกอย่างเป็นที่ผลิตจอกจักใจที่ทำในกอกคนั้นเขาตื่นฝันขึ้นมาแล้วค่อยรู้ว่าเป็นประเพียง เป็นวาตาเป็นศิลปะาเหมือนแบบิกรสร้างสรรค์ผลงานมาหัวใจมันเต้นไปจากมสัเกอยู่มากเวลายวคนที่สะก้ออกมาจากใจต้องมีแน่ๆเลถ้าไม่มีใจตื่นั้งสริมากมหสารนั่นสิ่ง่งที่เราฝึกเป็นจริงกะเป็นอนมากลังงานจิตใจความมืดความปาห่ปที่ช้างเวทีเขนอยเป็นตัอนงเงาสะท้อนเว็นเปลี่ยนยางไ ไม้เท้าก็เป็นผลสะท้อนของจิตหรือตัวของนอนแล้วก็มองคนคนอื่นก็คือเป็นผลงานของพลังจิตหนึ่งามีใจมันจริงจมีตัวละครมากมายต้นไม้จริงเป็นผลงานเป็นตัวละครหนึ่งเป็นดอกบ่ญของใจถ้าหากเราไม่มีใจนะเราจะไม่พบเห็นอะไรเลยโลรควัยนี้ทุกอย่างมันไปตายแห้งเมาว่างว่างเปล่าแล้วเดียวดาผัดก็คือไม่มีชีวิตชีวาเมื่อมรนมีใจปุ๊บเราจริงสัมผัสกับต้นไม้ความเงียบสงบแล้วต้นไม้ก็คือเป็นอาศัยกันกันอยู่ห่วงโซ่เดียวกันอยู่ในมิติเดียวกันอยู่ในสาย ต้นไม้ใหญ่ๆมดีเป็นกระแสของเหตุปัจจัยการน้าณ์ไม่มีสินใดเป็นอะไรได้คจามแน่นมันอาศัยการณ์ต้นไม้ต้นนีปใหญ่เต็มอกเขาเรียกว่าต้นไม้เหล็เต็มอกตีลงไปในหลักเหล็กที่เขาเริ่มต้นมาจากหน่อเลเรียกนี่คือท่านเราจื้อพูดเอาไว้มันค่อยๆกล้าขึ้นในล่มมัจากหน่อเลยรแล้วหน่อเลยอาศัยหยากฝนอาศัยหมอกมากอาศัยพื้นดิน อาศัยเลี้ยงค่าแบบเดียวกันได้สามารถที่แเามาอยู่ขึ่งปาได้อาศัยกันแคบในป่าคนเดียวไดถ้านไมาน่ตายเป็นพื้นดินก็ให้เราหยู่กระยาได้ไม่รบกวนเขาให้ต้นญามันขึ้นมาให้สัตว์ป่ามากินให้นกมากินให้ช้างมากินเราก็สามารถที่จะ ป่จจายการก็ทำมาเลยไม่เป็นไรมั้เ่มเรียนรู้ตั้งแต่ย้อนคืนฟังคำเนี่ยฟังแฉกินเนื้อเนื้อสมดก็จะผ่านไป้ด้นแหละเป็นพลังงานสมดก็มากินลูกไม้สัมพันธ์กันคือสมดก็คือตัวเราเราก็คือสมดด้วยกันแต่ถ้าในลักษณะของการตื่นรู้เนี่ยราจะไม่เบียดเบียน จะไม่ไปฆ่าใครมาแกงหรือจะไปทำอะไรไม่มีเจตนามีแต่เป็นพลังงานตื่นรู้การที่จะเป็นพลังงานไปฆ่าใช่ไหมเอามีแต่ไปฆ่าเอาความคิดไปที่จะไปหาประหารหีืจะไปจดจ่อสมาธิไปใช้ฟุ้มเฟยแต่ ผู้ที่ทําการตื่นรู้นี่คือเอาพลังทั้งหมดมาทำการตื่นรู้แล้วศักยภาพของการตื่นรู้มันจะเป็นคนขึนมาการก้าเป็นว่าถ้าเราไม่เป็นไม่มีการตื่นรู้ไม่ได้ไม่ย้อนตื่นเกิดดุลธรรมชาติเองเราจะไม่เป็นคนนะมันจะเป็นสารเดลธาตมันก็ไปโกวดบ้างเกียจบ้างโมโหบ้างตีก็ทะเลาะกับตัวเองไม่มีเพื่อนทะเลาะลับตัวเองดีกว่าต่างระดับตามวันและคืนอย่างเช่านปาผ้านอนไม่สะดวกกับทะเลาะให้เขามายินสียงองเสียพูดถึงนี้ทะเลาะกับ ่อไม่ตีนตัวเองก็มีมีมาไปอยู่ที่สวนโมกครอบสัมภารามที่บัดน้ำไหลสมัยน้องพุนดาเมื่อปี32ขังของดีของดีเศษเหลือก็เป็นวัพระเจ้าอะไรพวกนี้อยู่ลื่นๆมือไหลที่ถ้าเรารวบมความนับของธรรมชาตินี้เรา่ะขึ้นพาตัวเองเสรีพจของเราจมีต่างเพอเพื่อมามันก็ไม่หมดจนหมดไหลออกมายองขี้โมันมันเป็นป่าย่าก็ยังพัฒนาจนโมโหตก่ในสุดตัวเองมันมันไหลมาสเลบมาซ่อมเ มทำทําไม่ไี่ก็ยม่าจะเปลี่านเป็นสคตรพ่อคตแม่มันดีวหมไหลยบรไยุ่งยากยที้เราฝึกนี้จะมูกระสาบทะลอดได้เราไม่ตีนก็ทะเลาะกับมันได้ถ้าเราหันก้ามมันทะเลาเราแล้วมีสติแบบคนดีเท่าเรายิ่งเื็นรู้แบบคน สุดยอดเลยมันก็ทะเลาะที่อยู่สงบได้ทํจงผ่อนคลายและปล่อยวางและยอมรับความเป็นคนที่แตกต่าความแตกต่างที่เป็นจร้าให้ยอมรับความแตกต่างวิ่งมือง่ายวิ่งป่าได้อยู่ในสุกกระยอมรับเขาบักเขาตัวตี้ยอมรับเขาบักเขาพี่เล่หนึ่งจดียวใจเวลาคนคนกินงานจะมีได้ก็เป็นคนที่เลวก็กลัวดอกไม้เหียวจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าสามารถเป็นฐานในความดอไม้งาวยได้ไงให้เปรียบเทียบไง สั้นให้เทียบได้ยาวได้ยาวก็มีประโยชน์ตรงที่ว่ามันมีสร้นให้เปรียบเทียบไงดีก็มันมีคุณค่ามาได้ก็เพราะมันมีชั่วไงชชีวิตั่วทําให้เราจัดดีดำทำให้เราจัดขาวเตี้ยทำให้เรารู้จุกศูนย์ขี้เหล่ทาให้เราจัดรู้จักงานแต่ทั้งเตี้ยทั้งขี้เหร่ล้วนแตเป็นครูที่แตกต่าง อยู่ตรงนี้ได้เวลาเจอความสุขก็ยิ้มเห็นครูที่ก็งามเวลาเจอความทุกข์ก็ยิ่งเป็นครูที่น่าเออหน้าอีกแบบหนึเงแต่ก็นักภาวนาไม่ให้เลือกกี่ละให้ให้ยอมรับทุกประเภททั้งเมฆดําเมฆขาวทั้งบ่ายมืดมาเรียนรู้ๆไปเรื่อยๆคืนนี้เราขยายใหญ่เต็มตเริ่มตาหลีกหน่อเล็กๆสองคืนเหมือนเมล็ดงาเขาเรียกว่าเล็กก็คือช้างป่า อย่างปลาอย่ล่นห่นนี่เขาจะไม่ขึ้นไปแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่ว่าเป็นรูปเป็นร่างขาบ้างปลาอะไรก็ลูกต้องคือขาดูทุกฟังลูกจะไม่ตั้งก็ได้เหมือนหมาเราบ้างก็คือมาต่างอย่างเงี้ยเมื่อเห็นลูกก็อก็ทักไปเห็นกวางบ้าง รับท้ายรู้แจ้งความว่างมีหลายสียงมาเข้าใจแล้วลูกจะมุดระดมกลิ่นสามสั่งคือความว่างความว่างถ้าฝึกดมก็มาฝึกดมเลยเนี่ยอยากรู้ว่าช้างมายกินยังไงเริ่มต้นจากหน่อนเล็กและสิ่งหนึ่งอยู่ในนี้อยู่ในสิ่งหนึ่งเส่นเมฆอยู่ในต้นไม้ได้หมอกอยู่ในต้นไม้ได้พลังงานอยู่ในนี้ได้ไฟอยู่ในนี้ดินอยู่ในนี้ลมอยู่ในนี้หายยังไงเราจะได้ยินออกมาผิงนี้ไฟอยู่ในนี้จริงหรือเปล่าพลังงานมากมายมหาศาลอยู่ในนี้หมดทั้งเมฆทั้งหมอกทั้งตัวเราเราก็อยู่ในนี้ อันนี้ก็อยู่ตามเรากันและกันเป็นกันและกันสำคัญกันและกันถ้าไม่มีเราต้นไม้ก็ไา่มีรากถ้าเราตายลงตรงนี้เราก็ไม่มีต้นไม้ต้นไม้ก็จบสิ้นลงทุกอย่างกเปลี่ยนเป็นดัข้อสร้างที่สำคัญกันอย่างละเอียดและสับซ้อนบนเบือกักลับ เปลือบเคยเปลือบ้านก็อยู่ในมุมในมุมหนึ่งไม้ขิ้มฟันก็อยู่ในมุแต่เกียบก็อยู่ในใบไหญ่ต้นไม้นี้ไปเรื่อยเป็นบ้านเป็นเสาก็ได้เป็นเกือกก็ได้เป็นแปร่ก็ได้แต่พอไปสร้างบ้านเขาไม่เรียกว่าต้นไม้เรียกว่าบ้านฉันนั่นคือบ้านเธออย่างนี้นะต้นไม้สามารถเป็นไม้ตะเกียบได้เป็นไม้กิ้มฟันเป็นแป้นได้นี่แหละขึ้นอยู่กับการะเทสระเมื่อนั้นสิ่งที่เราเรียกกันที่แล้วพอเป็นมันขึ้นอยู่กับการะเทสระในส่วนผสม ถ้าส่วนผสมถูกต้องหน่อยก็เรียกว่าหญิ่งงามถ้าผสมถูกต้องสิมากไปหน่อยหรืออยู่นานไปหน่อยผสมนานมัก็เรียกว่าหญิงชราจงเห็นความามในความแตกต่างให้ได้เวลานในในส่วนผสมบางอย่างเข้าทําให้เราโกรมีส่วนผสมบางอย่างทําให้เราหลับปีมีส่วนผสมบางอย่างทําให้เรามีความสด้แต่อย่างยิ่งติดจงตระหนักรู้อย่างงดงามตรวตะหนักรู้อย่างไม่แบ่งแยกตระหนักรู้อย่างไม่มลื่อนตระหนักรู้ก็คือตื่นรู้นั่นเองก็คือ ตื่นรู้ที่ใช้กับชีวิตประจำัน <มา S 1> เราเลยเราจะเห็นควา ม, มสิ่งหนึ่งและสิ่งหลายสิ่งซ่อนอยู่ในสิ่งนี้ต้นไม้บ้านก็ซ่อนอยู่ในนี้นได้ตอนนี้เรียกว่าต้นไม้ไปก่อนแต่อย่าบอว่านี่คือบ้านเดี <c oughs> ย๋ยวจะขัดแย้งกับไอ้สมมติเราก็ว่าตอนนี้คือต้นไม้จนกระังว่าจะเป็นตะเคียนก็เรียกตะเคียนต้นยางนาก็เรียกยางนาไปก่อนเพื่อจะไม่ทะเลาะกับใครแต่บอกว่านี่คือบ้านนี่คือ เออนี่คือรถยนต์นี้คือไม้กิ้มฟันก็มันจะขัดแย้งกัส ม, มุดก็อันนั้นคือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในเรื่องปัญญาที่เราแทงทะลุ ก, กับสิ่งต่างๆที่อยู่ร่วมกันเหมือนเราคือกันและกันเมฆคือน้ําฝนน้ําฝนคือหิมะอันเดียวกันและคือทุกอย่างคือมหาสมุทรเปรียบกัน <c oughs> เราจะเข้าใจเรื่องซับซ้อนที่อาศัยกันและกันเหมือนอ น, นิจจังอยู่ในต้นไม้ต้นเดียว อนูหนึ่งบรรจุอนิจจังทุกของอรรังอนัตตาสุญิตาอย่างเดียวกันไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่เป็นอันเดียวกันทุกอย่างกําลังไหลไปสู่สิ่งเดียวกันอาจจะเริ่มต้นที่ความแตกต่างหลากหลายเริ่มต้นที่อนิจจังแต่สุดท้ายสู่มหาสมุทรเดียวกันคือมหาสุญญตาภาพแล้วก็หมายถึงใจของเราสุขทุกข์อาจจะสะท้อนมาจากใจทั้งดีทั้งชัว่วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งถูกทั้งผิดทั้งมากมายไกลกองแต่ละหว่านี้มากมายตั้งแต่เล็ก จ, จนโตจนขนาดนี้มีมากมายที่สะท้อนขึ้นมาแต่สุดท้ายกลับไปสู่ใจ ไม่มีอะไรเลยที่จะไม่กลับคืนสู่ใจเหมือนใบไม้เต็มต้นเลยมีใบไม้ไหนบ้างที่ไม่ร่วงหล่นสู่พื้นที่เขาจาับมาต้นไม้ใหญ่เต็มโอกสูงเสียดฟ้าสุดท้ายเขาก็จะไปนอนแน่นิ่งอยู่ตามพื้นดินแล้วค่อยๆละลายถูกกัดก่อนไปด้วยการเวลาและสุดท้ายเขากลจะกลายเป็นดินกลายเป็นน้ําให้เราดื่มกินเราก็จะสามารถกินต้นไม้ต้นนี้ได้เฮ้ยฉันอยู่เข้กินต้นไม้ังไงมันค่อยๆไหลไปมันซับซ้อนเรื่องเหล่านี้ซับซ้อนโดยแั้งเรา เอาออกซิเจนเดียวกันแล้วทุกอย่างมันละลายไปอันเดียวกันแล้วก่อรูปแปลงล่างขึ้นมาใหม่มันเป็นมายาภาพมันเป็นศิลปะของธรรมชาติของจักรวาลถ้าจะถามว่ามนุษย์ต้นไม้และสิ่งต่างเกิดมาได้ยังไงถ้าชาวคิดขอให้ยกไปพระเจ้าไว้ก่อนแต่ชาวพุทธมันเป็นเชื่อม น, นั้นเองมันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นจากกระแสของเหตุ ป, ปัจจัยไม่มีอะไรสิ่งใดเลยที่ไม่เกิดขึ้นจากเหตุ ป, ปัจจัยอะไรประมาณนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราเราก็จะ ไม่ไปด่าใครไม่ไปตีใครไม่ไปทะเลาะกับใครไม่ทะเลาะกับจมูกตัวเองไม่ทะเลาะกับของแม่เท้าไม่ทะเลาะกับผู้คนเพื่อนร่วมกันร่วมทางกันแล้วก็โอ้เขาก็เป็นอย่างนี้แหละป้าเขาก็เป็นอย่างนี้แหละลุงเขาก็เป็นอย่างงั้นเลยโอ้เก็เป็นเช่นนั้นเองเออนกกระยางเราเซนก็บอกว่าเห็นนกกระยางมันก็เป็นอย่างนั้นเออเดินไปเห็นกระหก็เป็นอย่างนั้นออ ทำยังไงได้จะไปตัดขาดกกระยางไปให้ขาเจี๊ยบมันขาเป็ดก็ไม่ได้ก็ป่อยมันเป็นธรรมชาติไปอย่าไปขัดแยง้งอย่าไปก้าวไกลาอย่าไปลบสิ่งบางอย่างอย่าไปจัดสวนอย่ไปพิพากษาอย่าไปตัดสินแล้วเราก็เห็นความงดงามที่แตกต่างยอมรับความแตกต่างมีไหมมีใครเอาช้างมาด้วยไหม <c oughs> จะ <c oughs> ดื่มไหนจะพูดเก <c oughs> ่งกว่านี้อีกถ้าดื่มช้าง ครบบแล้วนะนะขาดลุงหนึ่งเนี่ย๋ออยืนๆกันอยู่นะไปเรื่อยๆไปเดินสบายมัน <c oughs>